187เจ็ดข้อที่เก้าสิบแล้วอสองข้อนะสาข้อท่านี้พิสุปผู้ประสงค์จะให้ทำาภาปิดสีพึงกระทำให้ได้ขนาดคำที่จะกล่าวต่ อ, อไปนี้เป็นคำสแสดงขนาดของภ้าปิดสีนั้นคือด้านยาวสีค่ครอพระสุคดด้านกว้างสองคือเมื่อทำเกินกว่านั้น ที่มีการตัดเป็นวินัยกรรมเชษทนกกากรปาจิตตนะรัผ้าปิดสีนะครับสีก็คือพวกสีสุกอีสายนะสีที่มีน้าเหลือน้ำหนองไหลออกอนี่นะครับใช้ผ้าปิดสีปิดนะปริญญาเนีายผ้าปิดสีเรื่องมาจากอะไรพระอภิรักษ์ศัีสากซึ่งเป็นผู้ประชารของท่นพระอานานท์ใช่ไหมครับท่านเป็นสีอะไรหรือว่าอีสีสายประมาณนี้นะ แล้วก็น้ำาเหลืองลอยเกอะใช่ไหมครับมันก็ติดผ้าติดจีวรนะทุกทั้งหลายก็เลยชื่อกันดึงออกเอาผ้าชุบน้ำไปเช็ดๆแล้วก็เดึงออกใช่ครับอือฮึพนระเจ้าก็เลยส่งยาดผ้าติดสีขึ้นมาอือฮึสีดดเป็นยางไะครับสีดาเป็นตุ้งทั้งตัวทั้งตัวเลยใช่ไหมครับถ้าตัวมีสีใสจะเริ่มเป็นสีครับที่มีรอยยื่นตาน้าครับถ้าเป็นสีแดดขึ้นเป็นสีอะไรช่ไหมครับ เป็นสีอะไรแต่ทั้งตัวเป็นแต่ครับว่าถ้าถ้าไม่ตายนะครับตัวเจอเน้่ลายคนแรกหน้าเ่มลายหมดเลยครับอ๋อครับตอนนี้ยมเป็นหน้ามีลายอ๋อครับโอ้พ่อเป็นสีทั้งตัวนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นโรคปีศาายยตเย้ถ้าหาอะไรก็เก่งนะายครับอย่าตายกัน ขนะอะไรนะพระนเรศวรใช่ไหมก็ ย, ยังเป็นสีดาใช่ไหมครับขนาดกษัตริย์ก็ยัเป็นสีดาแล้วก็ซิมโฟนชนครับแต่ว่าสมัยนี้สูญพันธุ์แล้วนะไม่มีแล้วนะครับการแพทย์พระนาการเก้าเก้าไกลขึ้อันอ๋อใช่แค่ปลูกฝีต้องเด็ก น, นะครับเนี่ยก็เลยกเลยไม่มีแล้ว ก็มีโลกใหม่ๆที่นักเกิดมาใหม่ใช่ไเนี่ยผู้สีนะครับสีสุดวิสัยสีดาอะไรนะ่ะสีน้ำเหลืองน้ำห น, ำนองไหลนะครับสองนี่ยากอันนี้บอกว่าด้านยาวสองคือเระสุ์เท่าไหร่ครับหนึ่งคือคือ็ดจห้าเซนสองคือเมตรห้าบใช่ไหมครับแล้วก็เท่าไหร่พูดผิดเนี่ยไม่ใช่หนึ่งคือสี่คือไม่ใช่สองคือดูผิดนะครับ ด้านยาสี่คืบพิเศษเข้ากับสี่เมตรครับสามเมตรนะครับด้านกว้างสองคืบเท่ากับไม่ห้าสิบไม่ครึ่งนะครับถูกต้องนะครับไม่เกินกว่านี้นะครับโอ้เราไม่ต้องกลัวนะสามเมตรนี่มันใหญ่กว่าจีวรเยอะเลย <3 S 1> <c oughs> อ๋อเอาปรีจีวอนใช่ไหมความยาวนะปรีจีวอนอะไรนะครับแต่ด้านกว้างมันมันกว้าง น, น้อยกว่านิดนนะครับไม่ห้าสิบนะ โอ้ว้ยม่ต้องกลัวเลยไม่มีใหญ่เกินสมัยนี้อย่างมากเขาแค่พันข้าก้อนใช่ไหมนนสมัยก่อนนคนตัวใหญ่นะครับอันนี้ท่าท่านทําเกินกว่านี้ก็ต้องไปดีสิขาแบบนี้นะครับรเหมือนกันเหมือนกันต้องต้องตัดที่แสดงอาบักตอกนะดูต้นมันอใหญ่ เรงพระจับพระขีนะครับโดยสมัยนั้นพิมพ์พระพาคพระเจ้าประทําอยู่ณพระเชตวันอาณาจัของนานทบิดีกาท่าบดีเขียบพระนครสาบะทีครั้งนั้นพมาภาคเจ้าทรงอนุญาตผ้าปิดฝีแก่พิจุตทั้งหลายแล้วพระเับพระีทราบว่าพมพ์พร ะ, ระาคเจ้าทรงอนุญาตผ้าปิดฝีแล้วจึงใช้ผ้าปิดฝีไม่มีประมาณนะครับปล่อยเลื่อยไปข้างหน้าข้างหลังบ้างเที่ยวไป ประดามที่สุดที่มันพูดมากน้อยสันโดษต่าเป็แกล้งต่ออยเตรียมพุทนาว่าเช่นไรพระเจ้าปะขีจิได้ใช้ผ้าปิดผีไม่มีประมาณเล่าแล้วกระหึ่มลูกนั่นแดดพูดว่าผ้าเจ้ารู้รองทรงสอบถามทรงติดเตรียมพระจ้าปะีแล้วก็บบญสิก้าตัวนี้ขึ้นมานะครับผ้าปิดผีนะครั บ, ะรบอะไรที่อธิบายว่าผ้าที่ทรงนุญาตแก่ที่สุดอาพา้านะครับเป็นสีเป็นอิสุกอิสัย เป็นโรคนะอันมีน้ำหนองน้ำเหลืองปิดเปลือปล่อนหรือเป็นสีด่างที่ใต้ใต้เสดีดิวลงไปนี่ถ้าพูดอย่างนี้นะพวกผีอะพวกนี้นะครับูดถึงใต้สดีดิวลงไปนะเหนือเข่าขึ้นมานครับในบริเวณนี้เพื่อจะได้ใช้ติดแผลนะครับไม่ติดอนนะอกว่านะครับ อ, อ, อันนี้ว่ากันแล้วก็กลับมันในการถาครั ขากขาแทบจะไม่ไดนเอนี่เดียมนะครับหน้าสองหกสิบสองนะข้อที่แปดอธิบายการดุดปฏิชารที่สิขาบทซูนซาาทธิบายสิขาบาที่แปดต่อไปคำว่าภาคปิดสีได้แก่ผาคทิมมะผ้ า, าจ้าสองนิยางไว้เพื่อการปกปิดร่องหิดมัน เ, เป็นร่องหิดนะคะสนี่นะสีสยียน้ำหนองน้ำเหลืองสีดา ที่ใต้สะดีลงมาเหนืขอเขาอขีแบบ่นไปนะก็ไม่ปิดช่วงนี้นะไ้นะครับทัศน์ิบาร์ใหมีอะไรนะถ้าทัศน์ทิบารถือว่าโรกเนี่ยโรกผิดเปลือยและชื่อว่ากันดุต่อมแม่เล็กๆมีมเมล็กโลหิตชื่อว่าปีลกาน้ําเหลืองไม่สะอาดไหลออกด้วยอำนาจฤทธิ์สีดวงทวารบาลทั่วโลกและบาหวานเป็นต้นชื่อว่าโรกน้ําเหลืองเสียนะครนี่ มันจะมีงคนน้ำเหลืองเสียนะมันก็จ่อเป็นตุ่มมาใช่ไหมครับเป็นตุ่มเป็นหนองขึ้นมานี่นะนี่นก็ใช้ได้นะแต่ใช้ผ้าปิดสีนะอาร์ผ้ า, าเป็นเม็ดยอดใหญ่ท่านเรียกว่าเป็นลำลับเพลิงลำลาบเพลิงมันจะรามใช่ไหมนรับนี่นะครับอาว่าที่มีน้ำหนองไหลนั่นก็ใช้ผ้าปิดผิวด้านี้ได้นะครับคำพิบายก็เหมือนกันนะทําเองก็ดีใช้ทําก็ดีเป็นอาบัตทุ ก, กฎในประโยคที่ เกี่ยวที่ทำใช่ไหมครับได้ามาต้องอาบัตฟาจิตีทําเพื่อผู้อื่นต้องอาบัตทุกกดนะครับด้านที่ผู้อื่นทําไว้มาใช้ต้องอาบัตฟาจิตีฟาจินะครับ <laughs> เราไม่อด้ทำเแงเราไม่ได้ใช้นะขเขทําองแล้วก็มาทําถว้ยเราเรามาใช้ก็ต้องอาบัตทุกกดนะครับทุกกดนะครับอันนี้ก็เป็นจตุกาฟาจิตีเหมือนกันนะสิขาบทนี้มั่วพลาดเจ้า ทรงประลบพิสูจน์ฉบีในเมืองสามัตถีบรรยัญญติไว้แล้วก็ เ, เห็นคือการใช้ภาพเป็นผีเกนขนาดเป็นสาธารณาบัญญัติพิสุนีก็มีมี่ครับคำที่เหลือคุณทราบอยู่ในดังกล่าวแล้วในเรื่องของพระิศฐะนะแหลงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันจบการที่บานการดุจ ป, ปฏิจชาที่สิขาบท น, นะก็ไม่ยากนะครับต้นบัญญัติก็ว่างแล้ว